คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าแผ่นดินที่เราปลูกบ้านเรือนแล้วก็อยู่อาศัยทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขาแหล่งน้ำแล้วก็ทุ่งกว้างไม่ว่าที่ใดก็ตามในแผ่นดินนะคะเอาแค่ประเทศไทยของเราก็พอที่ดินหรือแผ่นดินที่กล่าวมานี้จะไม่เคยทับถมไปด้วยเศษซากต่าง ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอย่างอาคารบ้านเรือนหลุมฝังศพของมนุษย์ศพแล้วศพเล่าทับถมกันขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้หรอกค่ะว่าที่ตรงนี้มันเป็นดินที่หนาแน่นไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างงอกงามเพราะว่าได้ปุ๋ยดีอย่างซากสัตว์แล้วก็ซากมนุษย์ศพมนุษย์ที่ฝังจมอยู่ในแผ่นดินมีทั้งศพคนดีและคนเลวที่มีความโหดร้าย และพวกที่ตายไปแล้วแต่ว่าบาปยังคงหนาอยู่หรือว่าโยมทูตยังคงตามหาวิญญาณไม่เจอเพราะว่าอาศัยหลบซ่อนและเวรกรรมหน่วงเหนี่ยวให้จมจ่องอยู่กับความทุกข์แล้วก็บ่วงเวรคนเจอผีคนเห็นผีก็เลยมีอยู่บ่อยๆค่ะไม่ว่าที่แห่งนั้นจะเป็นปราสาท ร, ราชวังระโหฐานเป็นวัดและเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถิ่นฐานบ้านเรือนแล้วก็ตามถนนหนทาง วิญญาณเนี่ยจะมีอยู่ทุกแห่งมีทั้งวิญญาณรุ่นเก่าและก็วิญญาณรุ่นใหม่นะคะจะเรียกว่าอาณาจักรไทยทุกวันนี้ก็คืออาณาจักรของวิญญาณก็ไม่ผิดนะคะเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นตัวของพวกเขาเท่านั้นจริงๆแล้วพวกเขาอาจจะยืนแทรกอยู่ทุกพื้นที่แม้แต่ขณะที่บีเองกำลังเล่าเรื่องนี้อยู่พวกเขาก็อาจจะนั่งอยู่ข้างๆคอยนั่งฟังเรื่องที่บีเล่าก็เป็นได้ เอาจริงๆนีคะสำหรับตัวของบีเองก็ไม่เคยเห็นผีพวกวิญญาณแบบนี้หรอกนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยถามตัวเองเลยสักครั้งหนึ่งว่าทําไมกลัวผีนักหนาตัวตนของผีแล้วก็วิญญาณ น, นั้นเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้เห็นแต่ภาพวาดบนแผ่นกระดาษที่เนื้อตัวหน้าตามีแต่น้ำหนองไหลยเยิม้มแถมก็แลบลิ้นปลิ้นตาหลอกอีกตั้งหากเรียกว่าเห็นแล้วมีความรู้สึกคล้อยตามนะคะ คล้อยตามที่ว่านี่คือคล้อยตามในเรื่องของความกลัวนยะคะคงจะช็อกตายค่ะที่แน่นอนเลยอย่างวิญญาณที่พระอาจารย์เฉลวยอาชิโตพระลูกศิ์รูปสําคัญของหลวงพ่อเหรียญหรือพระอาจารย์เหรียญวอราลาโพแห่งวัดอรัญญบันพศจังหวัดหนองคายค่ะท่านอาจารย์ฉลวยท่านเคยเจอวิญญาณเข้าจังๆกับตัวของท่านเองเป็นวิญญาณทรมานในร่างของอสุรกายมาแล้วครั้งหนึ่ง ในครั้งนั้นเป็นช่วงออกพรรษาพระอาจารย์ฉลวยท่านได้จาริกทุดงคาวัดอย่างโดดเดี่ยวเพียงรูปเดียวโดยจุดหมายปลายทางของพระอาจารย์ก็คือภาคเหนือค่ะครั้นท่านทุดงไปถึงจังหวัดน่านท่านก็ได้พบเข้ากับถ้าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่บนเขาลูกหนึ่งนะคะชาวบ้านเรียกกันว่าถ้าผาตูมซึ่งถ้าแห่งนี้เนี่ยอยู่ห่างไกลไปจากหมู่บ้านพอสมควรแต่ว่าพอจะเดินออกไปบินทบาดได้ท่านเห็นถ้าแห่งนี้แล้ว แล้วก็ก้าวเดินเข้าไปดูข้างในถ้าก็มีความรู้สึกสบายใจเกิดความสงบขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกนะคะก็เลยตกลงว่าจะพำนักทำความเพียรภาวนาอยู่ในถ้าแห่งนี้สักเพลาหนึ่งแล้วก็ค่อยทุดงต่อไปหลังจากนั้นท่านก็ได้ปักกลดจัดที่เพื่อบำเพ็ญภาวนาค่ะ และท่านก็ได้ออกเดินสำรวจดูบริเวณรอบนอกถ้ำท่านได้พบนะคะว่ามีห้วยแล้วก็มีน้ําใสสะอาดนะคะที่อยู่ห่างจากถ้าเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่พอจะเดินไปตักน้ํามาดื่มแล้วก็ส่งน้ําได้ตามสะดวกนะคะพระอาจารย์มีความรู้สึกพอใจกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมากค่ะจะมีความสงบเรียบร้อยแล้วก็ยังมีความร่มรื่นเหมาะกับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมที่สุดคืนแรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วก็ในคืนต่อมาพระอาจารย์ฉลวยเนี่ยท่านได้นั่งสมาธิวิปัสสนา ได้ผลอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะยกข้อธรรมใดขึ้นมาพิจารณาก็รู้แจ้งแทงตลอดในอรุณของวันใหม่พระอาจารย์ก็ออกบินทบาต ท, ที่หมู่บ้านเชิงขขาวตามปกติก็รับบินทบาตเสร็จแล้วก็กลับมาที่ถ้ำก่อนถึงเวลาเพนเมื่อชาวบ้านได้ทราบข่าว่า ว, ว่ามีพระธุดงมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ที่ถ้ำผาตูมก็พากันเดินทางตามพระอาจารย์มาที่ถ้ำเพื่อกราบนมัสการขอพรแล้วก็ฟังธรรมะเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข พระอาจารย์เฉลวยก็ได้หยิบข้อธรรมที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตของพุทธมามะกะมาเทศนาให้ฟังตามสมควรแล้วก็ได้อบรมในการเจริญภาวนาสมาธิให้กับทุกคนได้นำไปปฏิบัตินะคะชาวบ้านที่เป็นชาวเขาค่ะต่างก็น้อมรับคำสอนจากท่านด้วยความปิติยินดีก่อนจะเดินทางกลับไปบ้านเรือนนอนของตน ในคืนนั้นหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยได้เดินทางกลับไปที่เรือนแล้วทิ้งไว้แต่ความวิเวกเปลี่ยวเปล่าเดียวดายภายในถ้ำก็เงียบแล้วนะคะยิ่งเงียบผิดปกติไปอีกพระอาจารย์ก็ได้เข้ากรดเพื่อเจริญสมาธิซึ่งในขณะที่ท่านกําลังเจริญภาวนาอยู่นั้นปรากฏนะคะว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งอบอวนขึ้นมาภายในถ้าคือไม่ผิดอะไรกับกลิ่นเหม็นของซากศพ แรกๆอาจารย์ท่านคิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นของหนูตายแถวนี้กระมังเดี๋ยววันรุ่งขึ้นค่อยไปค้นหาดูแต่ว่ากลิ่นนั้นกลับรุนแรงขึ้นทุกขณะนะคะ จนพระอาจารย์ฉลวยท่านทนไม่ไหวค่ะก็เลยลุกขึ้นไปดูนอกถ้ำบริเวณด้านหน้าถ้ำเนี่ยจะเป็นพื้นเรียบซึ่งพระอาจารย์ฉลวยใช้เป็นที่เดินจงกรมดังนั้นท่านจึงเปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่งภาวนามาเป็นเดินจงกรมต่อโดยกําหนดสมาธิอยู่ที่เท้าซึ่งเคลื่อนไหวไปมาช้าๆเดินกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรที่อยู่รอบตัวในขณะที่ท่านเดินจงกรมกลับไปกลับมาอยู่นั้น ช่วงหนึ่งขณะเดินไปถึงตรงกลางทางเดินท่านมีความรู้สึกว่าศีรษะของท่านเนี่ยไปกระทบเข้ากับบางสิ่งบางอย่างท่านก็คิดว่าเป็นกิ่งไม้นะคะทั้งๆที่บริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นที่โลง่งไม่มีต้นไม้อยู่ใกล้ๆสักต้นแต่ท่านเองก็ไม่ได้เงยหน้าขึ้นไปมองก็คงเดินต่อไปเรื่อยๆจนสุดทางเดินจงกรมค่ะเวลานั้นกลิ่นเหม็นก็ยังไม่ยอมหยุด กลิ่นก็ยังคงแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะโชยออกมาจากถ้ำพระอาจารย์ฉลวยได้หมุนตัวกลับมาช้าๆแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองท่านเองก็ถึงกับอึ้งค่ะกับภาพที่มองเห็นจนหน้าขนลุกขนพองสยองกล้าวปรากฏขึ้นบนสุดทางเดินฝั่งตรงข้าม ภาพที่อาจารย์เห็นนั้นมันเป็นรูปร่างสูงใหญ่ทะมึนอากาศในตอนนั้นเนี่ยกำลังขมุกขมัวค่มองเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่าท่านรู้นะคะว่าร่างนั้นเนี่ยมีขนยาวรุงรังยืนตระงานแน่นิ่งอยู่เบื้องหน้าพระอาจารย์เฉลวยท่านเองก็ไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรแล้วก็มีเจตนาอะไรหรือปรารถนาอะไรหรือต้องการได้รับกุศลเพื่อบรรเทาผ่อนคลายทุกทรมานที่กําลังมีอยู่หรือว่ามีความมุ่งร้ายหมายชีวิตด้วยไฟโทสะเกลียวกราด แต่ไม่ว่าผู้ที่มาเยือนนั้นจะมาจากมิติไหนมีเจตนาเช่นไรพระพุทธสาวกแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมจะมีแต่ดวงจิตอันชุ่มเย็นด้วยความเมตตากรุณาอาจารย์ฉลวยก็เลยกำหนดจิตนะคะแผ่เมตตาไปให้อย่างไม่มีประมาณค่ะกลิ่นเน่าเหม็นซึ่งอบอวนตั้งแต่แรกก่อนอสุรกายจะมาปรากฏตัวบนเส้นทางเดินจงกรมดูเหมือนนะคะว่ากลิ่น แรงและฉุนมากขึ้นกว่าเดิมเป็นพันเท่าทวีคูณกลิ่นนั้นเนี่ยเหมือนมันพุ่งออกมาจากร่างที่ยืนตระ n g g a n อยู่เบื้องหน้าตรงมายังพระอาจารย์เฉลวยโดยตรงคือมันแรงจนอาจารย์แทบจะเป็นลมล้มลงในบัดดลแต่ว่าพระอาจารย์ฉลวยก็ไม่เคยวิตกหวั่นไหวในกลิ่นนั้นแม้มันจะทั้งเหม็นทั้งฉุนสักแค่ไหนก็ตามพระอาจารย์เองก็ทนได้เพราะท่านรู้นะฮะว่ามันเป็นกลิ่นแห่งเจตนาของสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่สัตว์ป่าที่ออกหากินตามธรรมชาติ แต่มันเป็นสัตว์ที่จำแลงแปลงตนมาท่านยืนนิ่งคอยดูความเคลื่อนไหวของมันอย่างสงบพร้อมกับแผ่เมตตาให้กับมันไปเรื่อยๆค่ะทั้งๆที่ท่านเองก็รู้นะคะว่าสัตว์ประหลาดที่มาเยี่ยมยามวิการตัวนี้เนี่ยมันไม่ยอมไปไหนมันก็ยังคงยืนนิ่งเหมือนเสาไฟฟ้าอยู่ที่นั่นแหละนะคะไม่มีอาการแสดงใดๆให้รู้เลยว่ามันจะถอยหนีหรือว่าหายไป จะว่ามันสงสัยหรือว่ามันจะแสดงความเป็นเจ้าถิ่นให้ผู้มาเยือนถิ่นของมันรู้เป็นไนก็เหลือจะเดาพระอาจารย์ที่เคยมีประสบการณ์ด้านวิญ ญ, ญาณมาแล้วมากมายท่านเองก็ไม่ยอมวิตกนะคะเพราะท่านเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าอันวิญญาณบางตนนะั้นมันหัวดือ้อไม่ยอมรับรู้อะไรง่ายๆมันก็เลยยืนทำมือเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวหากจะคิดในมุมลบก็เหมือนกาลังชั่งใจอยู่ว่าจะทายังไงดีจะสู้หรือจะถอย มันก็คงกำลังลวนเลยอยู่นะคะพระอาจารย์ฉลวยเองท่านก็ไม่ได้คิดอะไรนอกจากทำสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาพร้อมกับส่วนบุญส่วนกุศลไปให้อย่างไม่มีประมาณท่านเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะทำอะไรต่อไปหากว่ามันจู่โจมเข้ามาเขียนฆ่าท่านก็ต้องยอมแล้วก็ท่านได้ส่งกระแสะจิตถามไปแล้วนะคะว่าที่มาปรากฏตัวให้เห็นเนี่ยต้องการสิ่งใดแต่ก็ยังไม่มีการตอบรับหรือว่ารับรู้ใดๆ แต่เท่าที่สังเกตดูจิตใจของมันเริ่มรู้สำนึกนะคะเพราะว่าสภาพร่างกายที่เป็นกายหยาบนั้นค่อยๆจางไปทีละน้อยทีละน้อยจนในที่สุดร่างใหญ่ทะมืนนั้นก็หายไปในบัดดลค่ะกลิ่นเน่าเหม็นก็ค่อยๆเลือนหายไปด้วยแต่ว่าไม่ทันที่พระอาจารย์เฉลวยจากําหนดจิต เดินจงกรมต่อตามปกติของท่านในฉับพลันทันใดนั้นเองค่ะท่านเองก็ต้องสะดุ้งตกใจเหมือนกันเพราะว่ามีเสียงกรีดร้องหหยหวนดังระงมไปทั่วขุนเขาหน้าขนลุกขนพองหากว่าเป็นคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยวิ่งตั้งแตไ่ได้กลิ่นแล้วนะคะ <c oughs> ก็เรื่องอะไรจะไปยืนดูอยู่แบบนั้นคือเชื่อนะคะว่าคุณผู้ฟังทุกๆ ท, ท่าน ที่ไม่ใช่พระสงค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยหรือว่ามีการฝึกจิตผ่านการฝึกจิตมาแล้วนะคะก็คงจะต้องวิ่งเหมือนกันท่านพระอาจารย์เองก็ไม่สามารถจับทิศทางของเสียงที่มาแหวกอากาศยามค่ําคืนแบบนั้นได้ว่ามันเป็นเสียงร้องโหยหวนของอะไรและมาจากทิศไหนซึ่งบางครั้งค่ะมันก็เหมือนกับว่ามันดังกล้องมาจากทุกทิศทางอย่างขนพองสยองกล้าวแผ่ซ่านไปทุกอนุอากาศเสียงร้องโหยหวนนั้นในบางช่วงจะเบาห ว, วิวแผ่วเบา โหยหวนดุดเสียงครางแล้วก็เสียงบ่นด้วยความทุกเวทนาบางช่วงก็กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็มีความโกรธแค้นเกลี้ยกราอดึงที่สุดพระอาจารย์ฉลวยก็เลยนั่งทําสมาธิในที่เหมาะสมก็คือบริเวณหน้าถ้ำแล้วท่านเองก็นั่งกาหนดจิตแผ่เมตตาไปให้มันอีกนะคะแม้ว่ามันจะหายตัวไปแล้วก็ตามแต่ว่าเสียงที่ร้องกรวนครางอย่างเจ็บปวดแล้วก็เกลี้ยวกราอดเนี่ยแสดงถึงมันกําลังมีความทุกเวทนาอย่างหนักหนาสาหัส แสดงถึงเวรกรรมที่มันต้องชดใช้อยู่ไม่รู้กี่ร้อยปีกี่ร้อยชาติมาแล้วกุศลผลบุญที่แผ่ไปให้นั้นยังไม่เพียงพอกับกรรมที่มันได้สร้างเอาไว้เมื่อครั้งตอนที่ยังมีชีวิตแล้วก็ยังไม่มีใครหรือผู้ใดได้แผ่บารมีธรรมไปให้มันเพื่อผ่อนคลายความรุ่มร้อนให้เกิดความชุ่มเย็น พระอาจารย์ฉลวยท่านยิ่งพิจารณาถึงเรื่องกรรมก็ยิ่งเกิดความเวทนาสงสารท่านก็เลยมีความพยายามเต็มที่ค่ะเพื่อจะช่วยเหลือแล้วก็ฉุดมันขึ้นมาจากความทุกข์ทรมานแล้วก็ให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมไปปุดไปเกิดในภพภูมิตามยถากรรมของตัวเองในคืนวันนั้น พระอาจารย์ฉลวยอชิตโตได้กำหนดจิตแผ่เมตตาไปให้โดยไม่รู้ว่านานเท่าไหร่จนกระทั่งเสียงร้องหหยหวนนั้นก็ค่อยๆแผ่วลงเสียงคร่ำครวญเหมือนเสียงบ่นถึงความทุกข์ทรมานอันหนักหน่วงนั้นก็เงียบไปไม่ทราบว่าวิญญาณแห่งความทรมานนั้นนะคะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจนพ้นจากความทุกข์ไปมากน้อยเพียงใดและในคืนต่อมาก็ไม่ปรากฏร่างของอสุรกายตนนั้นอีก นอกจากความสงบของป่าแล้วก็เสียงร้องของบรรดาสัตว์ป่าที่ออกหากินตอนกลางคืนโดยพระอาจารย์ฉลวยเองค่ะท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ท่านเพียงสันนิษฐานนะคะว่ามันคือวิญญาณป่าที่จมจอมแล้วก็ทุกทรมานมาเป็นเวลานานยังไม่มีผู้ใดสงเคราะห์แผ่บารมีแล้วก็ส่วนกุศลไปให้ และมันก็คงเป็นครั้งแรกค่ะที่มันได้รับผลบุญผลกุศลแล้วก็ความเมตตากรุณาไปให้อย่างไม่มีประมาณเพื่อให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าที่เป็นอยู่พระอาจารย์ฉลวยอชิตโตอยู่บำเพ็ญภาวนาที่ถ้ำผาตูมเป็นเวลานานพอสมควรเพื่อโปรดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็จาริกธุดงไปตามเส้นทางธรรมของท่านต่อไปค่ะ